พุทธศาสนาสอนว่าสุขถึงได้ด้วยสุขไม่ค่อยได้สังเกตกันว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งความสุขยิ่งบางทีไปเจอคำสอนบางเรื่องทานองว่านั่นก็ทุกนี่ก็ทุกก็นึกว่าพุทธศาสนาเต็มไปด้วยเรื่องทุกข์บางคนพอเจออริยสัจสี ขึ้นต้นข้อแรกว่าทุกหรือพระดำรัสสรุปอริยสัจว่าทั้งในการก่อนและบัดนี้เราสอนแต่ทุกและนิโรธแห่งทุกก็อาจจะถึงกับบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความทุกเรื่องนี้ควรย้ำกันบ่อยๆว่าอริยสัจนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกิจต่ออริยสัจกากับไว้ถ้าใครทากิจต่ออริยสัจผิดไป ก็พลาดตั้งแต่ต้นไม่ได้รู้จักและไม่มีทางถึงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทุกนี้เป็นอริยสัจข้อแรกจึงควรจะแม่นที่สุดถ้าจะให้ง่ายก็ท่องคําบาลีติดลิ้นไว้เลยว่าทุกขังอริยสัจจังปรินยัยยังแปลว่าทุกขอริยสัจพึงปริญญาเป็นนว่า ก, กิจหรือหน้าที่ของเราต่อทุกข์คือ ญญาพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าทุกนั้นสำหรับรู้เข้าใจหรือรู้เท่าทันด้วยปัญญาคือทุกเป็นเรื่องสำหรับปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับเก็บไว้บีบใจแต่ให้ใช้ปัญญารู้เข้าใจและแก้ไขให้เสร็จสิ้นไปอย่างที่ว่าถ้าทุกมาก็ส่งให้ปัญญาเอาไปจัดการนี่คือเริ่มเดินถูกทาง คราวนี้ก็มาถึงเรื่องความสุขถ้าจะให้เห็นได้ง่ายก็ดูที่พุทธประวัติทุกคนรู้ว่าก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาคือบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายต่างๆตามนิยมของยุคสมัยครั้นแล้วทรงมองเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดจึงได้ทรงละเลิกทุกรกิริยาหันมาทรงดำเนินในทางสายกลาง อันเป็นมัชชิมาปฏิปทาจนได้ตรัสรู้นี่คือเรามักรู้หรือเรียนกันมาอย่างนี้ซึ่งเป็นทำนองคำสรุปแต่ถ้าเราเข้าไปดูพุทธประวัติณจุดนี้จากพระไตรปิฎกโดยตรงก็จะรู้จากพระพุทธศาสนาชัดเจนมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้มีในโพธิราชากุมารสูตรเป็นต้นว่าพระองค์เองก่อนตรัสรู้ทรงดาริว่า ความสุขจะลุถึงด้วยความสุขไม่ได้แต่ความสุขนั้นจะต้องลุถึงด้วยความทุกข์จึงได้เสด็จออกผนวดครั้นแล้วได้เสด็จไปศึกษาในอาสมของสองดาบทหลังจากนั้นทรงบําเพ็ญทุกขรกิริยาด้วยความเพียรอย่างแรงกล้าได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสก็ไม่เป็นผลอะไรได้ทรงตระหนักว่าจะลุถึงคุณวิเศษด้วยทุกขรกิริยาหาได้ไหม ตรงนี้สำคัญมากคือทรงเล่าต่อไปถึงพระดำริว่าทางแห่งโพธิจะพึงมีเป็นอย่างอื่นครั้นแล้วทรงระลึกได้ถึงเหตุการณ์แต่ครั้งทรงพระเยาว์เมื่อประทับอยู่เงียบสงัดพระองค์เดียวณใต้ร่มเงาต้นว่าอันสงบเย็นสบายได้ทรงเข้าถึงปฐมฌานอันมีปีติและความสุขเป็นจุดเด่นครั้งนั้นทรงสว่างพระทัยว่า นั่นคือทางดังที่ตรัสกับพระองค์เองว่าเอเสวะมัคโคโพธิยานี่แหละคือทางแห่งโพธิเมื่อทรงระลึกขึ้นได้และชัดพระทัยดังนั้นแล้วยังทรงถามพระองค์เองอีกว่าเรากลัวไหมต่อความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมนั้นทํานองตรวจสอบว่าเป็นความสุขที่จะมีพิษภัยอะไรไหม ก็ทรงมีคำตอบเป็นทํานองความมั่นพระไทยว่าเรามิได้กลัวนี่แหละจึงได้ทรงละเลิกทุกขระกิริยาและดาเนินในมักคายแห่งความสุขอย่างนั้นซึ่งเราสรุปด้วยคำว่ามัจจิมาปฏิปทาใส่ลงไปแล้วก็ได้ตรัสรู้จุดต่างที่จะต้องเน้นไว้คือลัทธิมากมายในชมพูทวีปถือว่าสุขจะลุกถึงด้วยสุขไม่ได้จะลุกถึงสุขต้องด้วยทุก จึงบำเพ็ญตะบะทำทุกขรกิริยาแต่พุทธศาสนาบอกว่าสุขลุกถึงได้ด้วยสุขจึงเลิกทำทุกขรกิริยาไม่ให้บำเพ็ญตะบะซึ่งเป็นอั ต, ตกิรมานุโยคไม่ให้มัวทรมานตนให้ลำบากเสียเวลาเปล่าความสุขขั้นต้นที่รู้จักกันเป็นพื้นคือความสุขทางวัตถุหรือความสุขจากสิ่งเสพนั้นต้องขึ้นต่อกามต้องอาศัยกาม จึงเรียกว่ากามาสุขเมื่อพัฒนาความสุขก็คือจะมีความสุขที่เหนือกว่าสูงกว่าดีกว่านี้ขึ้นไปที่ต่างหากหรือต่างออกไปจากการมาสุขนั้นซึ่งเมื่อได้ความสุขนั้นแล้วจะมีคู่กันพร้อมไปด้วยกับกามาสุขหรือจะอยู่กับความสุขที่ดีกว่าประณีตกว่านั้นอย่างเดียวโดยเลิกหรือทิ้งการมาสุกซะเลยก็สุดแต่พอใจเลือกลักษณะสําคัญของความสุขที่พัฒนาสูงขึ้นไปนั้น นอกจากลดโทษหมดข้อเสียของความสุขที่พึ่งวัตถุแล้วก็คือเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องขึ้นต่อการเสพวัตถุดังนั้นในคำที่ตรัสจึงมีข้อความว่าความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการมไม่ต้องมีอกุศลธรรมหมายความว่าการพัฒนาความสุขนั้น ก้าวไปกับความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ขึ้นต่อกามเป็นอิสระจากกามคือก้าวไปพร้อมด้วยความต้องการหรือความปรารถนาที่เรียกว่าฉันทะนั่นเองอีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติที่ถูกต้องนี้ข้อที่สำคัญก็คือมีปัญญาที่ทำให้จิตใจเป็นอิสระถึงแม้ความสุขอย่างประเสริฐที่ดีเลิศนั้นจะเกิดจะมีอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่มาครอบงำจิตใจเช่นไม่อาจทาให้ติดเพลินหลงมัวเมาเหลิงลำพองสยบตัวตกอยู่ใต้ความประมาทเป็นต้นนี่ก็คือความสุขต้องมากับอิสรภาพในความสุขต้องมีอิสรภาพและในอิสรภาพที่แท้ก็มีความสุขทำไมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาจึงเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างที่ว่าแผ่นดินไหวตื่นกันไปตลอดถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดก็เพราะเป็นแนวคิดและวิถีชีวิตอย่างใหม่อันให้ลุถึงสุข ด, ด้วยสุขนี่แหละความสุขที่เป็นจุดหมายซึ่งใช้คําเรียกว่าเป็นบรมสุขนั้นมากับปัญญาที่รู้แจ้งทําจิตใจให้เป็นอิสระที่แม้แต่ความสุขอย่างสูงก็ครอบงาไม่ได้และความสุขนั้น ก็เป็นอิสระสุขแท้สุขจริงไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ต้องหาไม่ต้องพึ่งพาไม่ขึ้นต่ออะไรมีประจำอยู่กับตัวจะอยู่ไหนไปไหนเมื่อใดก็สดใสเบิกบานเป็นสุขทุกเวลาสำหรับคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้ลุกถึงสุขสูงสุดนั้นก็ไม่เป็นไรเมื่อรู้เข้าใจหลักแล้วก็มาพัฒนาความสุขกันต่อไป